สามสิบเอ็ดพระอัปปาราสมาเถรีภิกษุณีผู้ใช้เวลาบรรลุพระอรหันต์ถึง25ปีชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงโกสัมพีเจริญวัยแล้วได้เป็นสหายของพระนางสามาวดีเมื่อพระนางสามาวดีตายจึงเกิดความสังเวชใจออกบวชอยู่ถึง25พรรษายังไม่ได้สมาธิจิต ในเวลาแก่ชาราได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าแล้วเจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหัสต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายครั้นบรรลุพระอรหัสต์แล้วท่านพิจารณาข้อวัดปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าบวชมาแล้วยี่สิบห้าพันษาข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่าได้ความสงบจิตในการไหนๆเลย ข้าพเจ้าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จึงไม่ได้ความสงบต่อจากนั้นข้าพเจ้ามาระลึกถึงคำสอนของพระชินเจ้าจึงได้ถึงความสังเวชข้าพเจ้าถูกทุกขเป็นอันมากกระทบแล้วจึงยินดีในความไม่ประมาทบรรลุ ค, ความสิ้นตัณหาแล้วได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ววันนี้เป็นราตรีที่เจ็ด นับแต่วันที่ข้าพเจ้าทำตัญหาให้แห้งสนิทแล้วบาลีอปทานว่าพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าวิปัสสีเกิดเป็นกินนารีถวายดอกช้างน้าวแด่พระพุทธเจ้าบาลีเรียกอัญญตราสามาเถรีคาถานั้นมีอธิบายว่าความสงบจิตที่พระเถรีไม่เคยพบเลยตลอด 25. พันษา ก, ก็คือ มักสมาธิและผลสมาธิท่านจึงคิดว่าเมื่อพระศาสดา ย, ยังทรงพระชนอยู่เราก็ยังไม่อาจทำกิจของบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้หากพระองค์ปรินิพานไปเราจะเป็นอย่างไรจึงเกิดความสลดใจเพราะยานปัญญาแก่กล้าแล้วดังนี้แล้วกระทำที่สุดทุกได้ 32. พระอุตามาเถรีภิกษุณีผู้เป็นศิษย์ของพระปตาจาราเถรีชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลเศรษฐีกรุงสาวัตถีรู้เดียงสาแล้วได้ฟังธรรมในสำนักของพระปตาจาราเถรีเริ่มเจริญวิปั ส, สนาแต่ไม่อาจให้วิปั ส, สนาถึงที่สุดได้พระปตาจาราเถรีทราบวาราจิตของนาง จึงได้ให้โอวาทเธอตั้งอยู่ในโอวาทของพระเถรีนั้นแล้วได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วท่านพิจารณาถึงข้อวัดปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาอุทานเหล่านี้ว่าเขาพเจ้าบังคับจิตให้อยู่ในอำนาจไม่ได้จึงไม่ได้ความสงบใจต้องเข้าออกจากวิหารสี่ครั้งหครั้ง ได้เข้าไปหาภิกษุณีผู้มีวาจาพึงเชื่อถือได้ภิกษุณีนั้นได้แสดงธรรมเรื่องขันอยตนะและธาตุแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมของท่านแล้วได้ปฏิบัติตามที่ท่านพร่ำสอนเป็นผู้อิ่มเอิบด้วยสุขที่เกิดจากปีตินั่งขัดสมาธิท่าเดียวตลอดเจ็ดวันในวันที่แปด ข้าพเจ้าทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วจึงเหยียดเท้าออกบาลีอปทานว่าพระเถรีเริ่มตั้งบำเพ็ญบา ร, รมีในสมัยพระพุทธเจ้าวิปสัสสีโดยสมาทานรักษาอุโบสถศีลท่านจึงเรียกว่าเอกบโบสถิกาเถรีคาถานั้นมีอธิบายว่าภิกษุณีที่วาจาเชื่อถือได้ในที่นี้ได้แก่ พระปตาจาราเทรีท่านแสดงธรรมเรื่องขันหอายตนะ12ท่า18ซึ่งเป็นธรรมปฏิบัติคือวิปัสสนาโดยท่านบรรลุฌานก่อนมีความสุขที่เกิดจากปีเตในวันที่7แล้วก็บรรลุอรหัตมรรในวันที่8 สามสิบสามพระธันติกาเถรีภิกษุณีผู้มีช้างเป็นแรงดลใจชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลพราหมู้เป็นบรุหิตของพระเจ้าโกศลแห่งกรุงสาวัตถีรู้เดียงสาแล้วเกิดศรัทธาในพระศาสนาในกราวที่พระพุทธเจ้าทรงขับพระเชตวันวิหารของท่านอาณาทบินธิกะเศรษฐีแสดงตนเป็นอุบาสิกา ต่อมาได้บวชในสำนักของพระมหาปชาบดีโคตมีแล้วอาศัยอยู่ในกรุงราชกรวันหนึ่งหลังฉันอาหารแล้วท่านขึ้นบนเขาคิชฌูนั่งพักกลางวันอยู่ได้เห็นช้างเหยียดเท้าเพื่อให้คนขี่ช้างขึ้นหลังจึงทำเรื่องนั้นแหละให้เป็นอารมณ์ว่าแม้แต่ช้างก็ยังฝึกได้ตัวเราเป็นมนุษย์ก็ควรฝึก เจริญวิปัสสนาแล้วได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายครั้นบรรลุอรหันต์แล้วท่านพิจารณาข้อวัดปฏิบัติของตนเกิดปีติสมนัดได้กล่าวคาถาเหล่านี้เป็นอุทานว่าข้าพเจ้าออกจากที่พักกลางวันบนภูเขาคิชฌูได้เห็นช้างลงสู่แม่น้ำแล้วขึ้นจากแม่น้ำที่ฝั่งแม่น้าจันทภาคา นายควานช้างถือขอแล้วให้สัญญาณว่าจงให้เท้าช้างได้เหยียดเท้าออกนายควานช้างก็ขึ้นขี่ช้างข้าพเจ้าเห็นช้างที่ไม่เคยได้รับการฝึกเมื่อได้รับการฝึกแล้วก็อยู่ในอำนาจของพวกมนุษย์หลังจากเห็นช้างแล้วข้าพเจ้าจึงเข้าป่าทำจิตให้เป็นสมาธิเพราะกิริยาของช้างนั้นเป็นเหตุ บาลีอปทานว่าท่านเคยบูชาพระปจเจ ก, กับพุทธเจ้าด้วยดอกสาละคาถานั้นมีอถาธิบายว่าช้างที่เป็นสัตว์เดรัจฉานยังทําสิ่งต่างๆตามที่ผู้ฝึกช้างสั่งได้เหตุไรจิตของเราผู้เป็นมนุษย์จึงไม่ฝึกบ้างเล่าเพราะบัดนี้มีพระศาสดาผู้มากด้วยความสามารถในการฝึกก็ยังทรงพระชนอยู่ สามสิบสี่พระอุปพิริเทรีภิกษุณีผู้เคยเป็นสนมพระเจ้าปเปเสนที่โกศลชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขหบดีกรุงสาวัตถีมีชื่อว่าอุปพิริเป็นหญิงรูปงามน่าทัศนาน่าเลื่อมใสเมื่อเจริญวัยแล้วนางถูกนำไปสู่พระตำหนักส่วนพระองค์ของพระเจ้าโกศลเป็นพระสนม ร่วงไปสองสามปีได้ให้กำเนิดทิดาคนหนึ่งญาติพี่น้องทั้งหลายตั้งชื่อทิดานั้นว่าชีวาพระเจ้าโกสนทอดพระเนตรเห็นทิดาของนางแล้วทรงมีพระทัยยินดีได้พระราชทานอภิเษกด้วยแผ่นดินที่มีพืชอุดมแต่แล้วเด็กน้อยทิดาของนางได้ตายเสียในเวลาที่เที่ยววิ่งไปวิ่งมาได้แล้วนางจึงไปป่าช้า ที่เขาเอาร่างของทิดาไปทิ้งร้องไห้กลั่มครวญอยู่ทุกวันวันหนึ่งนางไปเข้าเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ไม่นานก็ออกไปยืนที่ฝั่งแม่น้ำอจิรวดีครั่มครวญถึงลูกพระศาสดาทรงทราบแล้วประทับนั่งในพระคันธกุดีอย่างเดิมนั่นแหละแผ่พระรัศมีไปปรากฏต่อหน้านางตรัสถามว่า เธอบนเพอ้อเพราะเหตุไรนางกราบทูลว่าบนเพ้อถึงลูกสาวของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าที่ป่าช้านี้เขาเคยเผาคนที่เป็นลูกสาวของเธอมาประมาณแปดมื่นสี่พันคนแล้วบรรดาลูกสาวเหล่านั้นเธอบนเพ้อถึงคนไหนดังนี้แล้วทรงแสดงที่เผาศพของลูกสาวเหล่านั้น ตรงนั้นนั้นแล้วตรัสพระคถาครึ่งว่าแน่อุปิริเธอคร่ำครวญอยู่ในป่าว่าลูกชีวาเอ๋ยเธอจงรู้สึกตนก่อนเถิดทิดาของเธอนั้นมีชื่อว่าชีวาทั้งหมดมีประมาณแปดหมื่นสี่พันคนถูกเผาอยู่ในป่าช้านี้บรรดาทิดาเหล่านั้นเธอเศร้าโศกถึงทิดาคนไหน นางสงใจไปตามกระแสรพระธรรมเทศนาปรารกวิปัสนาภาวนาและบรรลุผลเลิศคืออรหัตผลแล้วท่านได้ประกาศคุณวิเศษที่บรรลุด้วยสองคาถานี้ว่าลูกศรคือความโศกที่เห็นได้ยากซึ่งเสียบที่ใจข้าพระองค์ข้าพระองค์ถอนขึ้นได้แล้วเพราะพระองค์ได้ทรงช่วยบรรเทาความโศกถึงธิดาของข้าพระองค์ ซึ่งถูกความโศกครอบงำวันนี้ข้าพระองค์ทอนลูกศรคือความโศกขึ้นได้แล้วหมดความอยากดับร้อนแล้วได้ถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราดพระธรรมและพระสมว่าเป็นสารณะแล้วออกบวชเป็นภิกษุณีบาลีอปทานว่าพระเถรีถวายอัสนะแด่พระพุทธเจ้าปทุมุตตระจึงเรียกท่านว่า พระเอกาสนะยิกาเถรีคาถานั้นมีอธิบายว่าความโศกเปรียบเหมือนลูกสอนที่เบียดเบียนทิมแทงอยู่ภายในใจข้าพระองค์ถึงพระองค์คือเข้าไปอยู่ใกล้ด้วยรู้คำสอนด้วยปฏิบัติตามคำสอนด้วยพร้อมทั้งเข้าถึงพระธรรมคือโลกุตระธรรมและเป็นพระอริยสงฆ์ด้วย 35. พระสุกาเถรีภิกษุณีผู้เป็นนักเทศของชาวราชคลึชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลขหาห บ, บดีกรุงราชคลึมีชื่อว่าสุกการู้เดียงสาแล้วเกิดศรัทธาเป็นอุบาสิกาในกราวพระศาสดาเสด็จเข้าพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาได้ฟังธรรมในสำนักของพระธรรมทินาเถรี เกิดความสังเวชจึงบวชในสำนักของพระธรรมทินาเถรีนั่นเองเจริญวิปัสนาอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอระหัสพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายคลั้นบรรลุพระอระหัสแล้วได้เป็นมหาธรรมกระถึกผู้สอนธรรมที่มีบริวารมากผู้มีความสามารถในการแสดงธรรมมาก มีภิกษุณีประมาณห้าร้อยองค์เป็นบริวารวันหนึ่งท่านเที่ยวบินทบาทในกรุงราชคลีฉันเสร็จแล้วก็เข้าไปยังสำนักภิกษุณีแสดงธรรมแก่บริษัทใหญ่ที่นั่งประชุมกันอยู่เหมือนคั้นรวงพึ่งให้คนดื่มรดน้ำพึ่งและเหมือนรดด้วยน้ำอมฤตบริษัทเงียโสอดฟังธรรมกถาของพระเถรีแล้วมีใจไม่ฟุ้งซ่านฟังอยู่โดยเคารพ ขณะนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นไม้ท้ายที่จงกรมของพระเถรีขณะนั้นเทวดาผู้สิงอยู่บนต้นไม้ท้ายที่จงกรมของพระเถรีเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาจึงเข้าไปยังกงรุงราชคฤห์เที่ยวประกาศคุณของพระเถรีนั้นจากถนนนี้ไปตามถนนนั้นจากสีแยกนี้ไปสีแยกนั้นด้วยสองคถ า, าเหล่านี้ว่า พวกมนุษย์ในกรุงรัชกรือเหล่านี้ทำอะไรกันมัวดื่มน้ำพึ่งดีดนิ้วมืออยู่ไม่เข้าไปหาพระสุกาเถเรผู้แสดงคำสอนของพระพุทธเจ้ากันเลยส่วนพวกคนที่มีปัญญาย่อมดื่มพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นซึ่งเป็นธรรมที่ไม่นำกลับหลังทำผู้ฟังให้ชุ่มชื่นมีโอชะ เหมือนคนเดินทางไกลดื่มน้ำฝนฉะนั้นมนุษย์ทั้งหลายได้ฟังคำนั้นแล้วมีใจเลื่อมใสาพากันเข้าไปฟังธรรมในสำนักของพระเถรีโดยเคารพในการที่จะปรินิพานพระเถรีได้ประกาศพยากรณ์พระอรหัตผลของตนว่าพระสุกาเถรีรมีธรรมบริสุทธิ์ปราศจากราคะมีจิตตั้งมั่นชนะมารพร้อมด้วยเสนามาร อย่างทรงร่างกายที่มีในภพสุดท้ายอยู่พระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าวิปสัสสีด้วยการบวชเป็นภิกษุณีเป็นพระหูสูรทรงธรรมมีปฏิภาณและแสดงธรรมได้ไพเราะคาถานั้นมีอธิบายว่ามนุษย์ทั้งหลายมัวแต่ดื่มน้ำพึ่งจากรวงพึ่งของมึนเมาชนิดหนึ่งทาให้ไม่มีความคิดที่จะฟังธรรม มีศีษะหนักก้มอยู่ทำได้แต่เพียงเดีดนิ้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมไม่นำกลับคือมีแต่อำนาจจากทุกขเป็นธรรมที่นำความชุ่มชื่นใจให้ผู้ฟังฟังแล้วไพเราะจับใจโดยไม่ต้องเติมเครื่องปรุงอะไรลงไปแต่มีรสอยู่พอดีตามปกติแล้วซึ่งคนมีปัญญาคือบัณฑิตย่อมเดิม ย่อมฟังอยู่เหมือนคนเดินทางไกลดื่มน้ำฝนฉะนั้นพระเถรีแสดงว่าตัวเองนั้นสมกับที่ชื่อสุ ก, กาคือบริสุทธิ์ไม่มีกิเลส ท, ทำให้ต้องเศร้าหมองอีก 36. พระเสลาเถรี ภิกษุณีผู้เป็นพระธิดาของพระเจ้าอารวีชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นพระชธิดาของพระเจ้าอารวีกระราชมีชื่อเสลาแต่คนทั้งหลายเรียกเธอว่าอารวิกาเพราะเป็นธิดาของพระเจ้าอารวีกระราชเจริญวัยแล้วสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานอารวกยักษ์ทำยักษ์ให้จำนวนเลื่อมสายแล้วได้ประทานบาด และจีวรไว้ในมือของอารวกกยักเสด็จเข้าพระนครอาลาวีกับอารวกกยักนั้นนางเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากับพระราชาด้วยทำให้ได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาเป็นอุบาสิกาการต่อมานางเกิดความสังเวชจึงออกบวชในหมู่ภิกษุณีเตรียมความพร้อมเพื่อทำสมณธรรมแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนา พิจารณาสังขารทั้งหลายนางมีญาณแ ก, ก่กล้าเพราะสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยอยู่แล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอารหันต์กลั้นบร ร, าารลุพระอรหันต์แล้วพระเถรีนี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเมื่อฉันพัดแล้วได้ออกจากกรุงสาวัตถีเข้าสู่ป่าอันธวันเพื่อต้องการพักผ่อนกลางวันนั่งอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้น มารประสงค์จะ ก, กำจัดพระเถรีนั้นให้พ้นจากวิเวกจึงแปลงร่างกายเข้าไปกล่าวคาถาว่านิพพานอันเป็นที่สลัดออกไม่มีในโลกท่านจะทำประโยชน์อะไรด้วยวิเวกเล่าท่านจงบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิดอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเลยพระเถรีฟังแล้วรู้สึกว่าผู้นี้เป็นมารก็มารไม่รู้ว่านิพพานประจักษ์แกเราแล้ว และยังเชื้อเชิญให้เรายินดีกามมารไม่รู้ว่าเราสิ้นอาสวะแล้วเราจะคุกคามเขาจึงกล่าวสองคาถาว่ากามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและเหลาเป็นเพียงรองสับขันทั้งหลายบัดนี้เราไม่มีความยินดีในกามที่ท่านพูดถึงเรากําจัดความเพลิอดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้ว มานผู้ชั่วช้าเลวซามท่านจงรู้อย่างนี้ท่านถูกเรากำจัดแล้วมานถูกคุกคามแล้วได้อันตรฐานไปพระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบา ร, รมีในสมัยพระพุทธเจ้าปทุมุตระโดยได้บูชาต้นโพตรสรู้ด้วยประทีปห้าดวงจึงเรียกท่านว่าพระปัญจทีปทายิกาเถรีคาถานั้นมีอธิบายว่า กามทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกและเหลาเพราะเสียบแทงสัตว์ผู้หลงติดไว้ความยึดมั่นในกามนั้นมาจากความยึดมั่นในอุปทานขันห้าแต่พระเถรีเห็นกามทั้งหลายเป็นดุจอุจจาระไม่ยินดีแล้วท่านกำจัดมารแล้วเพราะทำลายกำลังและล่วงพ้นวิสัยของมารแล้ว 37พระโสมาเถรีภิกษุณีผู้มีปัญญาเกินสองนิ้วชาติสุดท้ายนางเกิดเป็นบุตรสาวบรุหิตของพระเจ้าพิมพิสารมีชื่อโสมาครั้นรู้ความแล้วมีศรัทธาประกาศตนเป็นอุบาสิกาในคราวที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในพระราชินิเวศของพระเจ้าพิมพิสารเวลาต่อมานางเกิดความสังเวช ออกบวชในหมูพิกษุณีเตรียมความพร้อมต่างๆเพื่อเจริญสมณะธรรมแล้วเจริญวิปัสนาไม่นานท่านก็ได้บรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายพระโสมาเถรีนั้นคลั่นบรรลุอรหัตแล้วได้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยวิมุตติสุขวันหนึ่งเข้าสู่ป่าอันธวันเพื่อต้องการพักผ่อนกลางวัน นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นมารประสงค์จะตัดพระเถรีนั้นออกจากวิเวกจึงหายตัวเข้าไปยืนอยู่ในอากาศกล่าวคาถานี้ว่าฐานะคือพระอรหันตอันฤษีทั้งหลายพึงบรรลุอันบุคคลเหล่าอื่นได้สำเร็จได้ยากท่านเป็นหญิงมีปัญญาเพียงสองนิ้วไม่สามารถจะบรรลุฐานะนั้นได้พระเถรีฟังแล้ว ต้องการกำราบมานจึงกล่าวสองคาถาว่าจิตเมื่อตั้งมั่นดีเมื่อยานเป็นไปอยู่เมื่อเห็นแจ้งธรรมโดยชอบความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้เรากำจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วทำลายกองแห่งความมืดได้แล้วมานผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านถูกเรากำจัดแล้ว พระเถรีนี้เริ่มบำเพ็ญบารมีในสมัยพระพุทธเจ้าสิขีโดยถวายดอกบัวเจ็ดดอกคาถานั้นมีอธิบายว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ชื่อว่าเลือสีเพราะสแสวงหาคุณธรรมทั้งหลายมีศีลขันธ์เป็นต้นบรรลุพระอรหันตได้ง่ายคนไม่ใช่เลือสีบรรลุพระอรหันตได้ยาก มารระบุว่าโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะมีปัญญาแค่สองนิ้วคือปัญญาสามปัญญาน้อยให้ดูเด็กหญิงอายุเจ็ดแปดขวบหุงข้าวก็ไม่รู้ว่าสุกหรือยังต้องเอาทัพพีตักขึ้นมาแล้วแล้วใช้นิ้วสองนิ้วบี้ดูจึงจะรู้ได้แต่พระเถรีไม่ได้เห็นด้วยกับมารจึงกล่าวโต้ว่า การบรรลุอรหัตตมรักนั้นไม่ได้เกิดเฉพาะกับผู้ชายเพราะตัวท่านเองก็ยังไม่สามารถคว้าอารหัตตมรักได้เลยความเป็นหญิงหรือชายไม่มีผลอะไร 38. พระวิมาลาเทรีภิกษุณีผู้เคยเล้าลมพระโมคคัลลานะ ชาตสุดท้ายนางเกิดเป็นบุตรสาวของหญิงโสเพณีคนหนึ่งในกรุงเวสาลีมีชื่อว่าวิมาลาอัตถกถาว่าวิมาลาครั้นเจริญวัยแล้วก็เลี้ยงชีพด้วยการเป็นโสเพณีตามอย่างมารดาวันหนึ่งนางเห็นท่านพระมหาโมคลานะเที่ยวบินธบาตในกรุงเวสาลีเกิดมีจิตปฏิพัตรักใกรจึงไปถึงที่อยู่ของพระเถระ เริ่มทำการเล้าโลมพระเถระอาจารย์บางท่านกล่าวว่านางถูกพวกเดรถีส่งไปจึงได้ทำอย่างนั้นพระเถระคุกคามแล้วได้ให้โอวาทแก่นางโดยการชี้แจงถึงอักษุภกรรมฐานเป็นสำคัญเมื่อพระเถระให้อวาดอย่างนั้นแล้วนางเกิดความสังเวชใจเกิดฮิริโอตับปะก มีศรัทธาในพระาศาสนาแสดงตนเป็นอุบาสิกาต่อมาได้บวชในหมู่ภิกษุณีเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอระหันต์เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยเหตุมีบารมีเต็มที่แล้วท่านพิจารณาข้อวัดปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มัวเมาในผิวพันรูปสมบัติความสวยงาม บริวารสมบัติและมีจิตกระด้างด้วยความเป็นสาวจึงดูหมิ่นหญิงอื่นข้าพเจ้าประดับกายนี้ให้วิจิตงดงามสำหรับลวงผู้ชายง่องๆได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของหญิงแพทย์สยาดุจนายพรานคอยดักเนื้อฉะนั้นข้าพเจ้าอวดเครื่องประดับต่างๆและอวดอวัยวะที่ควรปกปิดให้ปรากฏ กระทำมายาหลายอย่างให้ชายเป็นอันมากยินดีวันนี้ข้าพเจ้านั้นมีศีรษะโลน้นผมผ้าสังคติบวชเที่ยวบินทบาทแล้วมันนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ได้ฌานอันไม่มีวิตตกคือทุติยฌานข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งที่เป็นของทิีทั้งที่เป็นของมนุษย์ได้ทั้งหมดทำอสวะทั้งปวงให้สิ้นไป มีความเย็นดับสนิทแล้วคาถานั้นมีอธิบายว่านางมีจิตกระด้างเพราะมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในรูปร่างกายของตนเป็นต้นประมาทมานานวันวันนี้เดี๋ยวนี้ประพฤติอยู่ในคำสอนของพระมหาโมคลานะเทระบวชแล้วบรรลุทุติยฌานทาฌานนั้นให้เป็นบาตเจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัตผลแล้ว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 ภิกษุณีผู้เป็นน้องสาวของพระสารีบุตรชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลพรามเป็นธิดาของนางพรามณีชื่อรูปสาลีในหมู่บ้านนาลกะแคว้นมคตได้ชื่อว่าจารานางมีน้องสาวสองคนคือนางอุปจาราและนางศีบสูปจาราทั้งสามคนนี้เป็นน้องสาวของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร คลั่นได้ทราบว่าพี่ชายบวชแล้วก็พากันคิดว่าธรรมวินัยที่พี่ชายของเราบวชคงไม่ต่ำซามแน่บรรพชาก็คงไม่ต่ำซามก็เกิดอุตสาหามีฉันทะแรงกล้าพากันละญาติและคนใกล้ชิดซึ่งกําลังร้องไห้น้ําตานองหน้าออกบวชแล้วครั้นบวชแล้วก็ภาคเพียรพยายามต่อเนื่องไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต บรรดาภิกษุณีทั้งสามนั้นวันหนึ่งจาราภิกษุณีกลับจากบินทบาดหลังจากฉันพัฒหารแล้วก็เข้าไปยังป่าอันธวันนั่งพักกลางวันที่โคนไม้ต้นหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปหาพระจาราภิกษุณีประสงค์จะตัดพระเถรีเสจจากการอยู่ประพฤติปรมจันมารผู้มีบาปถามว่าแม่นางศรีะโลน ทำตัวเหมือนเป็นสมณะแม่นางบวชเจาะจงใครหนอแม่นางไม่ชอบใจลัทธิเดียรถีทำไมแม่นางจึงยังงมงายประพฤติลัทธินี้เล่าพระจาราเถรีตอบว่าผู้ถือลัทธิเดียรถีภายนอกจากพระศาสนานี้ยึดมั่นทิฏฐิทั้งหลายเดียรถีเหล่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมไม่ฉลาดในธรรม ส่วนพระพุทธเจ้าผู้เลิศอุบัติในตระโกลศากยะไม่มีผู้ใดเปรียบปาลพระองค์ทรงแสดงธรรมอันทาให้ก้าวล่วงเซซึ่งทิฏฐิทั้งหลายอุบายนั้นคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกขความดับทุกขและอริยมรรคอันประกอบด้วยแปดซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข้าพเจ้าฟังคาสอนของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในคาสอน ได้บรรลุวิชาสามแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าทําสําเร็จแล้วข้าพเจ้ากําจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงได้แล้วทําลายกองแห่งความมืดแล้วดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ว่าตัวท่านข้าพเจ้าก็กําจัดได้แล้วอีกครั้งหนึ่งมารถามว่าเหตุไรหนอท่านจึงไม่ชอบความเกิด ผู้เกิดมาแล้วย่อมบริโภคกรรมใครหนอให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยพิษุณีท่านจงชอบใจในความเกิดเถิดพระจาราพิษุณีตอบว่าผู้เกิดมาแล้วก็ต้องตายผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมพบเห็นทุกข์คือการจองจําการฆ่าความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ชอบความเกิด พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นอุบายก้าวล่วงความเกิดพระองค์สอนให้เราตั้งอยู่ในสัจจะสี่เพื่อละทุกข์ทั้งมวลสัตว์เหลา่าใดเข้าถึงรูปภพและสัตว์เหลา่าใดเข้าสู่อรูภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้นิโรธต้องมาสู่ภพอีกพระคาถานี้มีอธิบายว่ามารเห็นว่าในโลกนี้มีเจ้าลัทธิอยู่มากมาย ท่านไม่ชอบในลัทธิของเดียร์ธีแต่ทำไมยังมางมงายด้วยการโกนหัวทำตัวเหมือนสมณะจริงๆแล้วลัทธิเดียร์ธีนั่นแหละเป็นทางตรงไปสู่นิพพานท่านเสียเวลาแล้วพระเถรีจึงแสดงว่าลัทธิเดียร์ธีไม่ได้นำออกจากทุกจริงเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้ามีแสดงอุบายก้าวล่วงทุกได้จริง ส่วนพระอุปจาราเถรีและพระสีสูปจาราเถรีก็ได้บรรลุพระอรหัตเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกัน พนวกสิกขาบท311ข้อของภิกษุณีอาบัตของภิกษุณีที่มาในพระปฏิโมกทุ ก, กึ่งเดือนนั้นมีจำนวน311ข้อแต่ที่เป็นสิกขาบทปรับเป็นอาบัตมีจำนวน304ข้ออีกเจ็ดเป็นวิธีการระงับอธิกรณเช่นระงับด้วยสมุขาวินัยหนึ่งสติวินัยหนึ่งอโมรหาวินัยหนึ่ง ปติญญาตะกะระหนึ่งเยพุยศิกาหนึ่งตัดสปาปิยสศิกาหนึ่งตินวัถารกะหนึ่งว่าโดยย่อแล้วสามร้อยสิบเอ็ดข้อแบ่งเป็นประมาทดังนี้ 1. ปราชิกแปดสิขาบท 2. สังคาที่เศษสิบเจ็ดสิขาบท 3. นิสกิยปาจิตตีสามสิบสิขาบท 4. ปาจิตเต166สิกขาบท 5. ปาธิเศษนิยะ8สิกขาบท 6. เสขิยะ75สิกขาบท 7. อธิการณสมาธะ7ประเภทในที่นี้ขอยกอาบัตหนักครุกาบัตคือปรราชิก8และสังฆาทิเศษ17มาแสดงเท่านั้น ประราชิกแปสิขาบทอาบัติประราชิกแปลว่าทําให้พ่ายแพ้ผู้ต้องอาบัติก็คือผู้พ่ายแพ้ขาดจากความเป็นภิกษุณี 1. ภิกษุณีใดกําหนัดยินดีการจับต้องลูกครัมจับต้องสัมผัสหรือการบีบจากชายผู้กําหนัดบริเวณตั้งแต่ใต้รากขวัญใต้ไหปลาร้าลงไปลงมาเหนือเข่าขึ้นไปต้องประราชิก สอิกษุณีผู้ใดรู้อยู่แต่ปกปิดโทษของพิกษุณีผู้ต้องอาบัติประราชิกไม่โจทย์ด้วยตนเองไม่บอกแก่คณะต้องประราชิก 3. ภิกษุณีใดประพฤติตามภิกษุณีที่ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมแล้วลงโทษไม่ให้ร่วมหมู่ชั่วกราวจนกว่าจะประพฤติให้ถูกต้องเรียกง่ายๆว่าถูกยกวัด แต่สงยังไม่รับกลับเข้าหมูต้องประราชิก 4. ภิกษุณีใดกำนั ด, ย, นดยินดีการจับมือตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายเล็บยินดีที่ผู้ชายผู้กำนัดจับมุมสังคาติยืนคู่กับชายสนทนากันไปสู่ที่นัดหมายเพื่อจะได้เสพอสสธรรมกับชายนั้นต้องประราชิก อาสัตยธรรมในสิขาบทนี้หมายถึงการถูกต้องกันทางกายไม่ใช่เสพเมถุนธรรม 5. ภิกษุณีใดยินดีเสพเมถุนแม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวผู้ต้องประราชิก 6. ภิกษุณีใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้มีจิตคิดจะลักทรัพย์จากหมู่บ้านหรือป่าก็ตามเกินห้ามาศกต้องประราชิก 7. พิษุนีใดจงใจพรากชีวิตมนุษย์หรือสแสวงหาสัตราเพื่อจะพรากชีวิตหรือกล่าวพรรณนาคุณแห่งความตายหรือชักชวนเพื่อความตายต้องประราชิกแปิ 8. พิุนีใดกล่าวอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นญาณทัศนะอันประเสริฐ ท, ที่ไม่มีในตนต้องประราชิก สี่ข้อแรกเป็นอาสาธารณาสิกขาบทเฉพาะภิกษุณีสี่ข้อหลังเป็นสาธารณาสิกขาบทคือทั้งภิกษุและภิกษุณีต้องปฏิบัติสังฆาทิเศษส7บสิกขาบทสังฆาทิเศษแปลว่าหมวดอาบัติอันจำปรารถนาสง์ในกรรมเบื้องต้น และกรรมที่เหลือหมายความว่าวิธีออกจากอาบัตประเภทนี้ต้องอาศัยสงตั้งแต่ต้นไปจนถึงที่สุดคือสงรับกลับเข้าหมู่เหมือนเดิมแต่สังฆาทิเศษของภิกษุณีต่างจากสังฆาทิเศษของภิกษุตรงที่ภิกษุณีต้องอาบัตแล้วแม้จะปกปิดไว้โดยไม่บอกสงนานเท่าใดอยู่ปริวาสเหมือนภิกษุ สามารถขอประพฤติปักขมานัดได้เลย 1. ภิกพิษุณีใดก่อคดีทะเลาะวิวาทกับขหาบดีบุตรคหาบดีธาตุกรรมกรแม้ที่สุดกับสมณะปริพาชคต้องสังฆาทิเศษสองพิษุณีใดรู้อยู่ไม่บอกแก่พระราชาสงฆ์คณะสมาคมหรือกลุ่มคนให้ทราบ บวชให้โจรผู้ต้องโทษประหารต้องสังฆาทิเศษเว้นแต่สตรีที่บวชมาแล้วจากสำนักเดียรถ์ถีหรือจากสำนักภิกษุณีอื่นมาแล้วสามภิกษุณีใดไปสู่ละแวกบ้านรูปเดียวข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวไปพักแรมหรือปลีกตัวออกจากคณะรูปเดียวต้องสังฆาทิเศษส ภิกษุณีใดรับภิกษุณีผู้ถูกภิกษุสงลมูเคปณียกรรมเช่นเพราะระเมิดอาบัตเนืองๆกลับเข้าหมู่โดยไม่ได้บอกภิกษุณีสง์ต้องสังฆาทิเศษ 5. ภิกษุณีใดกำนัดรับของเคี้ยวของฉันจากมือชายผู้กำนัดด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันต้องสังฆาทิเศษ 6. ภิกษุณีใดสนับสนุนส่งเสริมให้ภิกษุณีอื่นรับของเคี้ยวของฉันจากมือชายผู้กำหนดอยู่ต้องสังคารทิเศต7ภิกษุณีใดโกรธไม่พอใจอยู่พูดบอกคืนพระรัตนตรัยและจะไปเข้ารีดเดียร์ีแม้ภิกษุณีอื่นห้ามก็ไม่ฟังยังยืนยันการคิดการพูดนั้นภิกษุณีสมสวด สมานุภาพครบสามครั้งแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนต้องสังคาทิเศษสวดสมานุภาพได้แก่สวดประกาศห้ามไม่ให้ถือรั้นการอันมิชอบ 8. ภิกษุณีใดถูกตัดสินให้แพ้คดีในอธิกรณ์หนึ่งเช่นคดีที่ทะเลาะวิวาทกันจึงโกรธไม่พอใจกล่าวหาภิกษุณีสงว่ามีความลำเอียงภิกษุณีอื่นห้ามก็ไม่ฟัง ยังยืนยันอยู่อย่างนั้นหากภิกษุณีสงสวดสมานานุภาพครบสามครั้งแล้วยังไม่สละความคิดนั้นต้องสังคาทิเศษกภิกษุณีใดถูกภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนมิให้อยู่คลุกคลีกันแล้วมีความประพฤติเลวทรามมีกิติศัพท์และชื่อเสียงในทางไม่ดีเป็นการเบียดเบียนภิกษุณีสง หากภิกษุณีนั้นยังคงประพฤติอยู่เช่นเดิมภิกษุณีทั้งหลายสวดสมานุภาทครบสามครั้งยังไม่เลิกประพฤติเช่นนั้นต้องสังฆาทิเศต1ิภิกษุณีใดว่าร้ายภิกษุณีพูดยุยงให้ภิกษุณีพูดถูกภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้คลุกคลีกันตามข้อเก้าก็แย้งว่าที่ภิกษุณีลาอื่น ก็ยังประพฤติคลุกคลีแต่ไม่เห็นถูกว่ากล่าวพิกษุณีสงว่ากล่าวเฉพาะพวกท่านเพราะดูหมิ่นเยียดยามไม่พอใจต้องการให้พวกท่านอ่อนแอหากพิกษุณีสงสวดสมานุภาพครบ3สามครั้งแล้วยังไม่สละความคิดเช่นนั้นต้องสังคารทเศษสิบเอษุณีใดเป็นผู้ชักสื่อด้วยการบอกความประสงค์ของบุรุษแก่สตรี สตรีแก่บุรุษเพื่อให้เป็นเมียรหรือเป็นชู้ก็ตามโดยที่สุดแม่บอกแก่หญิงแพทย์สยาที่จะอยู่ร่วมกันชั่วขณะต้องสังคาที่เศษสิบสองพิษุณีใดขัดใจมีความโกรธตามกำจัดพิกษุณีด้วยทำมีโทษถึงประชิกอันหามูลไม่ได้ด้วยหมายให้เคลื่อนจากปรมจารย์ต้องสังคาที่เศษสิ 13. ภิกษุณีใดขัดใจมีความโกรธถือเอาเลสบางอย่างเช่นอ้างว่าเห็นผู้มีบาทอย่างนี้เสพเมทุนเพื่อกำจัดภิกษุณีด้วยอันทำมีโทษถึงประราชิกด้วยหมายเหตุให้เคลื่อนจากพรมจันทร์ต้องสังคาที่เสษสิบสี่ภิกษุณีใดพยายามทำลายสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงภิกษุณีทั้งหลายกล่าวตักเตือนก็ไม่ฟัง เมื่อสวดสมานุภาพจบสามครั้งแล้วยังไม่เลิกทําลายสง์ต้องสังฆาทิเศสิบภิกษุณีใดประพฤติตามหรือสนับสนุนภิกษุณีผู้พยายามทําลายสงภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่หยุดความประพฤตินั้นเมื่อสงสวดสมานุภาพจบสามครั้งแล้วยังไม่สละ ก, การกระทานั้นต้องสังฆาทิเศต 16. บิกษุณีใดประพฤติตนเป็นคนว่ายากพิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังสมสวดสมานุภาพครบรสามครั้งก็ยังไม่สละการกระทํานั้นต้องสังขารทิเศษสิบเจ็ดพิสมณีใดประทุษร้ายตะโกนคือประจบคฤรพหัดภิกษุณีทั้งหลายไล่ออกจากวัดกลับติเตียนว่าพิกษุณีเหล่านั้นมีอคติ ภิกษุณีทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่เชื่อฟังสงสวดสมานุภาพครบสามครั้งแล้วหากยังไม่สละความเห็นเช่นนั้นต้องสังฆาทิเศษข้อหนึ่งถึงข้อ10เป็นอสาธารณาสิกขาบทเฉพาะภิกษุณีข้อ 11-17 ถึงเป็นสาธารณสิกขาบทคลุมทั้งภิกษุและภิกษุณี ข้อมูลอ้างอิงหนังสือที่ใช้ในการเรียบเรียง 1. พระไตรปิฎกและอัตถกถาแปลฉบับ200ปีของมหามากุฎราชวิทยาลาย25 25. ัย2525 2. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายาัย2539 3. พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีมหาจุฬาเตปิดกังฉบับ24พุทธศตวรรษ2500 4สารัตถีปณีดีกาพระวินยัยแปลไทยโดยอาจารย์สิริเพชรชัยข้อมูลนิติอภิธรรมมหาทาตวิทยาลัย2542 ข้อพิจารณาเหตุใดพุทธศาสนานิกายเถรวาดถึงระบุชัดว่าภิกษุณีไม่มีแล้ว 1. ห, หากผู้ศึกษาได้อ่านและกำหนดหลักการบวชเป็นภิกษุณีให้ท่องแท้และมีใจเป็นกลางแล้วจะพบว่าข้อปฏิบัติก่อนอุปสมบทที่เรียกว่าทำห6ประการนั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่หนัก ฝืนความต้องการของกิเลสต่อเนื่องยาวนานมาถึงสองปีต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมั่นคงไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างพร้อยแม้ในข้อใดข้อหนึ่งซึ่งศรัทธาและจิตใจของผู้จะบวดต้องเข้มแข็งมั่นคงมากสองการต้องขออุปสมบทจากสงฆ์ทั้งสองฝ่ายก็เป็นเรื่องที่หนักคือ ต่อจากประพฤติ ธ, ธรรม6ประการครบสองปีแล้วก็ต้องได้รับสมมุติการอุปสมบทจากภิกษุณีสงฆ์ด้วยยติทุติยกรรมวาจาต้องขออุปสมบทกับภิกษุสงฆ์ภิกษุณีผู้มีความสามารถจะสอนซ้อมสิกขาบราผู้มุ่งจะบวชนอกที่ประชุมภิกษุณีสงฆ์ก่อนเช่น สอนให้รู้จักชื่อของภิกษุณีผู้เป็นปวัตตินีคืออุปชาบอกบาดและจีวรเป็นต้นถามอันตรายยิกธรรมจากนั้นจึงให้เข้าไปประชุมภิกษุณีสงแล้วสอบถามผู้เจิจบวชนั้นในถ้ำกลางสตรีอีกครั้งหนึ่งแล้วภิกษุณีผู้ฉลาดผู้สามารถจะสวดประการให้สงทราบด้วยยัตเตจะตุทธกรรมวาจา ว่าผู้นี้จะขออุปสมบทจบกรรมวาจาแล้วไม่มีภิกษุณีรูปใดคัดค้านก็ถือว่าการอุปสมบทในภิกษุณีสงเสร็จสิ้นสมบูรณ์จากนั้นภิกษุณีสง์จึงพาเธอไปหาภิกษุสง์แล้วกล่าวคําขออุปสมบทต่อภิกษุสง์ภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถจะสวดประกาศให้ภิกษุทสงทราบด้วยยติจดถุตกกรรมวาจา จบกรรมวาจาหากไม่มีภิกษุรูปใดคัดค้านก็ถือว่าการอุปสมบทในภิกษุสงเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 3. ในแง่ความชัดเจนของการบวชเป็นภิกษุณีของเจ้าหญิงสักยะ500องค์นั้นท่านไม่ได้แจกแจงไว้ว่าการที่ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุณีทั้งหลายอุปสมบทให้นางสากิยานี500้อท่านนั้น มีขั้นตอนขอบวชอย่างไรแต่ก็มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นการอุปสมบทแบบติดสรระคมมนูปสัมปทาคือให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจาขอถึงไตรสรระคมเช่นเดียวกับการบวชของสมเณรราหุลและตามด้วยการให้ครุธรรมแปดเมื่อมาถึงการบวชภิกษุณีแบบยติจะตุทธกรรมวาจาจบแล้วมีการให้วัดเงาแดดเป็นต้น เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์การบวชจากสงฆ์ทั้งสองฝ่ายแต่ก็มีผู้สงสัยว่าแล้วจะมีการรับครุษธรรม8ประการด้วยหรือไม่รับตอนใดเพราะครุษกรรม8ข้อนั้นเป็นแบบปฏิบัติตนที่ภิกษุณีใช้เป็นหลักในความเกี่ยวข้องกับภิกษุสงฆ์ 4. ในแง่อายุของผู้จะบวชเป็นภิกษุณีนั้น ก็เป็นข้อถกเถียงถึงการที่ทรงอนุ ญ, ญาตให้สิกขมนาผู้มีอายุ12ปีเป็นต้นผู้มีครอบครัวแล้วบวชเป็นภิกษุณีได้ทำให้เห็นภาพที่ลักลันอยู่คือเด็กหญิงมีอายุน้อยบวชก่อนมีอาวุโสมากกว่าสตรีที่บวชตอนอายุ20ปีเป็นต้นซึ่งผู้บวชที่หลังต้องเคารพแต่ก็ไม่พบว่าทรงมีการยกเลิกการบวชสิกขมนา ที่มีอายุสิบสองปีจึงดูขัดแย้งกับตอนถามอันตรายิกรรมที่ว่าเธอมีอายุครบยี่สิบปีแล้วหรือ 5. พิจารณาจากปัจจุบันถึงเป็นไปได้ว่าการที่ไม่มีตัวแทนภิกษุณีสงเข้าร่วมทาสังฆนาครั้งที่หนึ่งเลยทำให้ข้อมูลเรื่องราวของภิกษุณีสิขมนาสั ม, มเนรีมีอยู่น้อยมาก ดูเป็นการยากที่จะบวชภิกษุณีแล้วไม่ทำให้เกิดข้อสงสัยต่างๆตามมา 6. พิจารณาในแง่ประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและมีลายลักษณ์อักษรปรากฏใกล้ที่สุดก็ตอนที่พระเจ้าเกียรติสิริราชสิงหะมีพระราชสารให้ราชทูตมาถวายพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ปีพุทธศักราชสองพขอให้ทรงส่งคณะสงฆ์สยามไปอุปสมบทให้กุลบุตรลังกาอันเป็นที่มาของสยามวงหรืออุบาลีองค์ครั้งนั้นคณะสงฆ์ไทยอุปสมบทให้สัมมเนนทั้งหลายมีสั ม, มเนนสารนังกรเป็นต้นและในการต้อนรับครั้งนั้นมีเพียงสัมมเนนอุบาศกและอุบาสิกา ไม่ปรากฏว่ามีภิกษุและภิกษุณีจะเห็นได้ว่าศีลังกาตอนนั้นภิกษุและภิกษุณีขาดตอนไปแล้วเมื่อภิกษุณีขาดตอนไปแล้วแม้จะมีภิกษุสงกลับมาแต่ภิกษุณีสงไม่มีอยู่แล้วจะมีการบวชภิกษุณีได้อีกอย่างไรเจ็ดแม้มีผู้กล่าวว่าปัจจุบันมีภิกษุณีฝ่ายเทรวาสอยู่ในศีลังกา โดยอ้างว่าบวชจากภิกษุณีสงใต้หวันและภิกษุสงลังกาให้การรับรองอุปสมบทให้ก็เป็นเพียงมติของคณะสงค์ลังกาคณะหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดที่จะเห็นสอดคล้องหรือแม้เห็นสอดคล้องเป็นเอ ก, กฉันก็ใช่ว่าเรื่องนี้จะถูกหลักการธรรมวินัยในเถรวาด 8. ประเด็นที่คณะสงค์และชาวพุทธเถรวาดไม่ยอมรับมากที่สุดก็คือ การสืบสายของภิกษุณีสงฆ์ความไม่บริสุทธิ์ของภิกษุณีสงฆ์แม้จะมีผู้อ้างถึงภิกษุณีสงฆ์ในฝ่ายมหายานเคยได้รับการบวชจากภิกษุสงฆ์เถรวาดมีข้อควรสงสัยก็คือว่าถึงจะบวชเริ่มแรกไปจากภิกษุสงฆ์เถรวาดจริงแต่เมื่อไปอยู่ในใต้หวันเป็นต้นภิกษุณีเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามครุธรรมปเช่น ต้องอยู่ในอารามที่มีภิกษุณีต้องถามอุโบสถและรับโอวาจากภิกษุภิกษุณีเหล่านั้นรับโอวาจากภิกษุฝ่ายไหนแล้วการบวชต่อๆกันมานั้นบวชในภิกษุสงฝ่ายไหนก็ไม่ใช่ว่าจากภิกษุเทระวาดแล้วบทสรุปเรื่องภิกษุณีในปัจจุบันจะเป็นเช่นไรในที่นี้จะขอนําบทสรุปประเด็นหลักที่พระเดชพระคุณ พระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตเคยชี้แจงไว้ดังนี้ปัญหาภิกษุนีพระพรหมคุณาภรณ์ปออประยุตโตเรื่องที่คิดว่าน่าจะพูดมีสามประเด็นข้อหนึ่งเราต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งจิตเมตตา คือมีความปรารถนาดีเพราะว่าผู้หญิงถ้านับถือพุทธศาสนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเริ่มแรกก็เป็นอุบาสิกาถ้าพูดกว้างออกไปทั้งหญิงและชายก็เป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะปฏิบัติและบรรลุธรรมได้ในเมื่อทั้งหญิงและชายมีความสามารถนี้แต่เวลานี้ผู้หญิงมีโอกาสภายนอกเกื้อหนุนน้อยลง เรามีความปรารถนาดีคืออยากให้ผู้หญิงมีโอกาสมากขึ้นที่จะปฏิบัติเพื่อบรุผลอย่างที่เรียกว่าให้เต็มตามศักยภาพของตนเวลานี้ผู้หญิงที่อยากจะบวชเป็นภิกษุณีแต่พอดีว่าในประเทศไทยเราไม่มีภิกษุณีถ้าพูดกว้างออกไปภิกษุณีสายเถรวาดเวลานี้หมดไปแล้ว ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นจึงเป็นปัญหาว่าจะทำอย่างไรเพราะขั้นที่หนึ่งเราทำได้ก่อนคือตั้งจิตปรารถนาดีว่าจะทำอย่างไรให้ผู้หญิงมีโอกาสมากที่สุดที่จะปฏิบัติเพื่อบรุธรรมตั้งหลักไว้ให้ผู้หญิงก็ได้ และธรรมวินัยก็ไม่เสียข้อสองความปรารถนาดีและความต้องการของเรานี้จะได้แค่ไหนก็ต้องขึ้นต่อหลักการเราต้องดูว่าหลักการเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงมีพุทธบัญญัติไว้อย่างไรในเรื่องการบวชเป็นภิกษุณีเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้ทำได้เท่าไหนก็เท่านั้นการปฏิบัติในเรื่องการบวชภิกษุณีนี้ ถึงจะมีรายละเอียดมากแต่ว่าโดยหลักการกว้างๆเราทราบกันแล้วว่าการที่จะบวชเป็นภิกษุณีนั้นต้องมีอุปชาเป็นภิกษุณีแต่ข้อนี้ยังไม่สำคัญเท่าไรเพราะว่าอุปชานั้นไม่ทำให้สําเร็จความเป็นภิกษุณีได้การบวชเป็นภิกษุณีหรือภิกษุก็ตามสําเร็จด้วยสงฆ์ตรงนี้เป็นข้อสาคัญและเป็นตัวตัดสิน คือต้องมีภิกษุณีสงฆ์ทำอย่างไรจะให้มีภิกษุณีสงฆ์มาบวชให้ในเมื่อภิกษุณีสงฆ์ขาดตอนไปแล้วในเรื่องนี้ไม่ว่าภิกษุหรือภิกษุณีก็เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะภิกษุณีภิกษุถ้าไม่มีภิกษุสงฆ์ก็บวชไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเกิดเหตุการณ์อย่างในประวัติศาสตร์ของลังกาภิกษุสงฆ์หมดไปตั้งสองครั้ง ซึ่งทำให้ลังกากุลบุตรบวชเป็นภิกษุไม่ได้แต่พอดีว่าในประเทศไทยและพมา่าซึ่งเป็นประเทศเทรวาดเหมือนกันยังมีภิกษุสงฆ์อยู่ทางศีรษลังกาจึงได้ส่งทูตมาขอภิกษุสงฆ์ไปบวชกุลบุตรชาวลังกาเกิดมีภิกษุขึ้นใหม่ต่อมาภิกษุสงฆ์หมดอีกก็ขอใหม่อีกก็เป็นอย่างนี้ ถ้าภิกษุสง์ในประเทศอื่นไม่มีภิกษุก็บวชใหม่ไม่ได้ก็จบสิ้นเหมือนกันทีนี้ภิกษุณีสงในสายเถราวาทขาดตอนหมดไปแล้วเราเลยบอกว่าไม่รู้จะเอาภิกษุณีสงที่ไหนมาบวชผู้หญิงให้เป็นพิกษุณีถึงแม้ภิกษุสงจะมีอยู่ก็บวชให้ไม่ได้เพราะการที่จะบวชพิษุณีได้นั้น ความสำคัญอยู่ที่ภิกษุณีสงฆ์มีภิกษุณีสงฆ์อย่างเดียวบวชให้เป็นภิกษุณีไม่ได้องค์ประกอบสำคัญก็คือภิกษุณีสงฆ์นี่แหละตอนนี้มีคาถามว่าที่ประเทศมหายานใต้หวันนั้นมีภิกษุณีสงฆ์เพราะฉะนั้นก็บวชภิกษุณีได้ใช่ไหมก็ตอบง่ายๆชัดเจนว่าบวชได้คือบวชเป็นภิกษุณีมหายาน เพราะเมื่อบวชโดยภิกษุณีสงฆ์มหายานและภิกษุสงฆ์มหายานก็ต้องเป็นภิกษุณีมหายานเป็นเรื่องธรรมดาบวชอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นถ้าบอกว่าภิกษุณีสงใต้หวันนั้นเป็นภิกษุณีสงเถรวาดเพราะสืบต่อมาจากสายเถรวาดก็ต้องไปสืบประวัติกันให้ชัดออกมาคือตรงไปตรงมา ให้ชัดลงไปว่ามาอย่างไรเกิดขึ้นเมื่อไรนอกจากนั้นยังจะมีปัญหาอีกขั้นหนึ่งว่าถ้าภิกษุณีสงในใต้หวันเริ่มต้นโดยเกิดจากภิกษุณีสงเถรวาดจริงแต่ต่อจากนั้นมาเวลาบวชภิกษุณีก็กลายเป็นว่าสงสองฝ่ายที่บวชให้นั้นภิกษุณีสงเป็นเถรวาดภิกษุณีสงเป็นมหายาน ภิกษุณีที่บวชใหม่ก็จะกลายเป็นลูกครึ่งคือเป็นภิกษุณีเป็นกึ่งเทรวาดกึ่งมหายานที่ว่ามานี้เป็นข้อที่จะต้องยกมาพิจารณาตามหลักการซึ่งต้องว่ากันเป็นขั้นเป็นตอนเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังว่าการจะทำอะไรให้ถูกต้องรู้ก่อนว่าถ้าปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักก็ต้องทาอย่างไร แต่ขั้นที่หนึ่งเรามีความรู้สึกที่ดีมีเจตนาดีปรารถนาดีต่อจากนั้นก็หาทางว่าจะทำได้เท่าไหร่คือความต้องการต้องถูกจํากัดด้วยหลักการหลักการเปิดให้ได้เท่าไหร่เราก็พยายามหาทางทำให้เต็มที่เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะปิดกัน้น เจตนาไม่ได้อยู่ที่จะปิดกัน้นแต่เจตนาจะหาทางให้แต่หาทางให้เท่าที่หลักการจะเปิดให้แล้วก็มาช่วยกันพิจารณาถ้าตั้งจิตอย่างนี้และทำตามหลักแล้วคงจะไม่ต้องมามัวเถียงกันมากเป็นการยกตัวอย่างหัวข้อที่จะพิจารณาก็แล้วกันในเมื่อจะไม่พูดยืดยาวนัก อาจจะสรุปอย่างสั้นที่สุดว่าเราควรทำโดยวิธีที่ว่าผู้หญิงก็ได้ธรรมวินัยก็ไม่เสียการจะทำได้อย่างนี้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องที่จะทำโดยเฉพาะหลักธรรมวินัยเกี่ยวกับการบวชภิกษุณีถึงแม้จะคิดแก้ไขจะไม่ทาตามหลักก็ต้องรู้เข้าใจหลักที่มีอยู่ก่อนแล้วนั้นให้ดี แล้วก็ต้องตั้งตัวให้ดีไม่ใช่ว่าหลักการอะไรจะใช้ได้หรือไม่ก็ไม่รู้อยู่ที่ว่าฉันชอบใจหรือไม่ชอบใจผู้หญิงมีสิทธิ์บวชเป็นภิกษุณีแต่คนที่มีสิทธิ์บวชให้ไม่มีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการถกเถียงกันคราวนี้ เพียงฟังและพิจารณาเล็กน้อยก็จะเห็นได้ว่ามีการแสดงความคิดเห็นโดยไม่รู้เข้าใจเรื่องราวกันมากทีเดียวหลายท่านก็พูดให้ทั้งตัวเองและคนอื่นยิ่งสับสนแล้วปัญหาก็เลยยิ่งสับสนแก้ไขา ย, ยากบางคนพูดทํานองว่าทำไมจึงไม่ให้ผู้หญิงมีสิทธิ์บวชเป็นภิกษุณีบางคนถึงกับอ้างรัฐธรรมนูญบางคนว่าไม่มีภิกษุณีสง ก็ให้ภิกษุสงบวชให้ภิกษุณีสิบางคนก็พูดทำนองว่าเถรวาดใจแคบทำไมไม่ทำอย่างที่ในฝ่ายมหายานบวชภิกษุณีได้บางคนว่าองค์กรปกครองคณะสงฆ์คือมหาเถรสมาคมทำไมไม่รับรองการบวชเป็นภิกษุณีความจริงเป็นเรื่องชัดเจนง่ายๆผู้หญิงเคยมีสิทธิบวชในสมัยพุทธกาลอย่างไร ปัจจุบันผู้หญิงก็ยังมีสิทธิ์บวชเป็นภิกษุณีอยู่เช่นนั้นแต่ความติดขัดอยู่ที่ไม่มีคนที่มีสิทธิ์บวชให้หรือคนที่มีสิทธิ์จะบวชสตรีให้เป็นภิกษุณีนั้นเวลานี้ไม่มีบางทีคนที่จะให้ภิกษุณีสงบวชภิกษุณีโดยไม่ต้องมีภิกษุณีสงฆ์นั้นเป็นเพราะไม่รู้ขั้นตอนการบวชภิกษุณีนั้นว่าทาอย่างไรบ้างตรงนี้แหละ ควรจะพูดเสียเลยว่าพิกษุณีสงฆ์ไม่มีสิทธิ์บวชสตรีให้เป็นพิกษุณีแม้แต่บวชสมเนรีพระภิกษุก็บวชให้ไม่ได้พระภิกษุบวชเด็กผู้ชายเป็นสมเนรได้พระภิกษุณีก็บวชเด็กหญิงเป็นสมเนรีได้ฝ่ายไหนฝ่ายนั้นพิกษุณีไม่บวชสมเนรภิกษุก็ไม่บวชสมเนรี ดังที่ทราบกันอยู่ว่าแต่เดิมมีภิกษุสงเกิดขึ้นก่อนต่อมาภิกษุณีรูปแรกคือพระมหาปชาบดีโคตมีนั้นพระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองส่วนสตรีท่านอื่นที่ติดตามพระมหาปชาบดีโคตมีมาพระพุทธเจ้าทรงให้ภิกษุทั้งหลายบวชให้คือบวชโดยภิกษุสงเมื่อมีภิกษุณีสงขึ้นแล้ว และมีภิกษุณีจํานวนมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงให้ภิกษุณีสงบวชเป็นภิกษุณีก่อนแล้วจึงมาบวชที่ภิกษุสงต่อภายหลังกลายเป็นว่าภิกษุณีบวชจากสงสองฝ่ายเมื่อถึงตอนนี้ภิกษุณีสง์จะประชุมบวชภิกษุณีได้ต่อเมื่อภิกษุณีนั้นบวชเสร็จจากภิกษุณีสงมาแล้วขั้นตอนการบวชที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้บวช มีสัพเพรเรียกว่าสอบถามอันตรายิกรรมต่างๆนั้นต้องทำโดยภิกษุณีสงฆ์การที่ภิกษุสงฆ์จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บวชเป็นภิกษุณีนั้นพระพุทธเจ้าทรงระงับตัดไปแล้วการที่จะยอมรับคุณสมบัติของสตรีที่ขอบวชทรงให้เป็นเรื่องที่เสร็จสิ้นไปในฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ เป็นธรรมดาตามหลักกฎหมายเมื่อมีบัญญัติใหม่บัญญัติกล่าวที่ขัดกันก็ระงับไปการบวชภิกษุณีแทบจะสมบูรณ์มาแล้วในขั้นตอนของภิกษุณีสงฆ์ขั้นตอนของภิกษุสงฆ์เรียกได้ว่าเหลือแค่รับทราบและยอมรับที่ภิกษุณีสงฆ์ดำเนินการมาภิกษุณีสงฆ์จึงไม่มีสิทธิ์บวชสตรีเป็นภิกษุณีถ้าภิกษุณีสงฆ์ยังไม่ได้บวชให้ ต่อมาทรงอนุญาตให้กระทั่งว่าเมื่อสตรีบวชเป็นภิกษุณีเสร็จในฝ่ายภิกษุณีสงแล้วถ้ามีเหตุติดขัดเช่นการเดินทางอาจมีอันตรายการบวชในขั้นภิกษุสงเจ้าตัวภิกษุนั้นจะไม่มาเองก็ได้เพียงแต่ให้มีผู้แจ้งแทนเรียกว่าการอุปสมบทแบบทูตคือทูเตนะอุปสัมปทา ถ้าภิกษุสงฆบวชภิกษุณีหรือภิกษุบวชสัมมเนรีดีไม่ดีไม่ช้าคนที่ทวงสิทธิ์สตรีก็จะทวงว่าพระภิกษุถือสิทธิ์อะไรมาเป็นผู้บวชให้แก่สตรีทําไมสตรีจะต้องไปให้ภิกษุบวชให้การยกเอารันธรรมนูนมาอ้างว่าสตรีต้องมีสิทธิ์บวชเป็นภิกษุณีได้นั้นไม่มีสาระอะไรเลย เพราะผู้หญิงมีสิทธิ์บวชอยู่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้มีสิทธิ์บวชให้แก่สตรีเท่านั้นการอ้างธรรมนูนในกรณีนี้ก็เหมือนกันกับว่าที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมีโรงเรียนแพทย์หรือไม่มีคณะแพทย์ศาสตร์แล้วมีคนหนึ่งมาอ้างว่าตนต้องการสิทธิได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนั้นหรืออะไรทํานองนั้น รัฐธรรมนูนนี้อ้างกันจนชักจเจริญเทอะเลยเถิดบางคนต่อให้ไปรับประทานอาหารแล้วก็คงต้องอ้างว่ารัฐธรรมนูญให้กระเพาะและลำไส้ของดิฉันมีสิทธิย่อยอาหารได้เวลานี้เมื่อบวชเป็นภิกษุณีในสายตาเทรวาดไม่ได้แล้วไม่ได้หมายความว่า ม, ามีมหายานที่ไหนจะบวชเป็นภิกษุณีได้ที่นั่นพุทธศาสนามหายาน มีนิกายอ่อนแยกออกไปมากมายมหายาบางแห่งนางนิกายยังมีภิกษุณีมหายาหลายแห่งก็ไม่มีภิกษุณีจะบวชเป็นภิกษุณีมหายาก็บวชได้กับมหายาบางแห่งบางนิกายเท่านั้นเรื่องคณะสงฆ์โดยเฉพาะมหาเถระสมาคมนั้นเมื่อเป็นเรื่องหลักพระธรรมวินยัย ท่านทำได้แค่ให้ความรู้และท่านก็ต้องปฏิบัติตามจะให้คณะสงฆ์มาตั้งตัวเป็นพระพุทธเจ้าซิเองไม่ได้ตามเรื่องที่ปากฏและเถียงกันอยู่นี้เห็นได้ว่าคณะสงฆ์หรือมหาเทราสมาคมไม่มีอำนาจไม่ว่าโดยพระธรรมวินยัยหรือโดยกฎหมายของรัฐที่จะรับรองการบวชภิกษุณีนั้นจะทำได้ก็แค่รับรู้การบวช และให้ความรู้แก่ประชาชนการให้ความรู้แก่ผุทธศสิกชนนี้เป็นหน้าที่ยืนตัวที่ควรทำตลอดเวลารวมแล้วต้องย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรอะไรก็ควรจะได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้นนั้นบ้างมิฉะนั้นจะพูดกันไปพูดกันมาก็ไม่ได้อะไรมีแต่ยิ่งสับสน ถึงจะมีสถานะที่ดีแต่ถ้าไม่รู้จักรักษาในไม่ช้าก็จะเสื่อมจากสถานะนั่นเองข้อที่3เรื่องเก่าวเกี่ยวกับสิ่งดีที่เรามีอยู่แล้วซึ่งบางทีเราก็มองข้ามไปไม่เอาใจใส่ข้อนี้ไม่เกี่ยวกับสองข้อที่พูดไปนั้นโดยตรงคือการที่สังคมไทยเรามีแม่ชีสืบมา การที่เรามีแม่ชีก็เป็นเครื่องหมายที่บอกให้รู้ว่าสังคมไทยเราเคยพยายามหาช่องทางให้หญิงได้มีโอกาสในการสแสวงหาวิเวกหาความสงบในการมีชีวิตอยู่แบบผู้ปลีกตัวจากสังคมแล้วก็บำเพ็ญเพียรในการปฏิบัติทางจิตภาวนาและปัญญาภาวนาแต่สังคมของเราสมัยก่อนไม่ใช่เป็นสังคมขยายใหญ่อย่างปัจจุบัน ที่จะต้องมีเรื่องของกฎหมายหรือระบบระเบียบข้อบัญญัติของรัฐหรือของสังคมอะไรต่างๆมากมายเพราะในอดีตสังคมของเราเป็นชุมชนแต่ละชุมชนที่สำเร็จในตัวเราอยู่กันง่ายๆแต่พอเป็นสังคมใหญ่อย่างปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องการมีสถานะอะไรต่างๆก็เกิดขึ้นนอกจากนั้น จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็มีปัญหาซ้อนขึ้นมาอีกทำให้แม่ชีดั้งเดิมนั้นคงจะอยู่เพื่อสแสวงหาชีวิตที่สงบเพื่อมีโอกาสปฏิบัติในทางวิเวกได้มากก็กลายเป็นว่าต่อมาแม่ชีมีภาพเสียหายเพราะมีแม่ชีที่ไปเที่ยวขอทานเมื่อไม่นานมานี้มีคนมาเล่า ว, ว่าที่ศูนย์การค้าบางแห่ง ซึ่งมีฝรั่งมามากแม่ชีไปขอทานไปเที่ยวขอเงินจากฝรั่งอย่างนี้ก็เสียหมดนอกจากนั้นในยุคหลังๆมาถึงปัจจุบันแม่ชียังมีภาพเสียหายในด้านอื่นอีกเช่นว่าเป็นคนไม่ค่อยมีการศึกษาตลอดจนเป็นคนอกหักอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นเรื่องของสภาพชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งบางทีผู้ที่อยู่ในระบบชีวิตแบบนั้นเองเป็นผู้ทําให้เสื่อมเองเมื่อตัวแม่ชีปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วยิ่งถ้าคนทั่วไปหรือสังคมส่วนรวมไม่ช่วยรักษาก็ย่อมเสื่อมลงไปแม้แต่พระพิสุก็เหมือนกันอย่างเวลานี้เมื่อมีพระพิสุประพฤติเสื่อมเสียหายภาพพระพิษุเองก็เสื่อม ถ้าพระพิสุขืนประพฤติเสียหายอย่างนี้ต่อไปสภาพก็จะไม่ต่างจากแม่ชีต่อไปคนจะมองพระเสียหมดยกตัวอย่างง่ายๆในทางพระศาสนาถือว่าพระพิสุเป็นบรรพชิตเป็นสมณะซึ่งตามหลักโอวาทปฏิโมกสอนว่านาหิปัปพชิตโตประรูประคาติ บรรพชิตเป็นผู้ไม่ทำร้ายคนอื่นสมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจึงเป็นสมณะตามหลักการนี้ภาพของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีภยัยคนไปพบพระที่ไหนก็ใจสบายมีความร่มเย็นคนสมัยก่อนไปในป่า ไปที่เปลวในที่น่ากลัวพอเจอพระใจก็มาโล่งอกสบายใจเลยคือหมดภัยอันตรายแต่ภาพสั ญ, ญลักษณ์นี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีบางทีเจอพระหรือแต่งเป็นพระจริงคือภายนอกข่มผ้ากาสาวพัดจริงแต่ภายในเป็นพระหรือเปล่าคนชักจะไม่ไว้ใจไปเจอพระแทนที่จะปลอดภัย เลยชักหนักใจอย่างนี้ก็ไม่ไหวถ้าพระภิกษุเขืนประพฤติเสียหายกันมากไม่เฉพาะแม่ชีหรอกพระภิกษุก็จะหมดสถานะไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะมีสถานะดีปัจจัยขั้นแรกไม่ใช่ว่าอยู่ที่ไหนไกลก็อยู่ที่คนผู้อยู่ในระบบนั่นเองที่จะประพฤติตัว และดูแลกันให้ประพฤติให้ถูกต้องตามหลักพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งที่มีอยู่สามารถจัดการให้ดีไม่ใช่ชอบแต่งของใหม่แต่ใช้และบำรุงรักษาไม่เป็นแม่ชีเรามีอยู่แล้วไม่ว่าเราจะพูดเรื่องพิกษุนีกันหรือไม่ก็ตาม ก็ขออย่าให้มองข้ามเรื่องแม่ชีไปเมื่อแม่ชีมีอยู่เราทำอย่างไรจะจัดให้ดีให้มีสถานะเป็นที่เคารพนับถือให้มีโอกาสปฏิบัติได้ดีมากที่สุดพร้อมกันนี้นอกจากปฏิบัติให้ชีวิตส่วนตัวแม่ชียังมีความเป็นอยู่ที่ยืดหยุนเชื่อมกับสังคมชาวบ้านได้ดีกว่าพระภิกษุเพราะไม่มีวินัยเป็นกรอบมาก เพราะฉะนั้นถ้าช่วยกันจัดปรับให้ดีแม่ชีของเราก็จะทําประโยชน์ได้หลายอย่างเพราะฉะนั้น 1. เราควรสนับสนุนการศึกษาของแม่ชีและยกย่องสถานะด้วยวิธีการที่จําเป็นตามยุคสมัย 2. เราควรสนับสนุนให้แม่ชีมีโอกาสทําประโยชน์แก่สังคมให้มากเช่นสอนเด็กเป็นครูอาจารย์ ทำประโยชน์ในกิจกรรมประเภทสังคมสมเคราะห์ต่างๆที่พูดมานี่แหละคือการตอบคำถามว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ทำอย่างไรเราจะมาช่วยการส่งเสริมหรือจัดทำให้ดีอย่าให้ใครติเตียนได้ว่าขนาดสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมเราก็ยังไม่สามารถทำให้ดีได้จะคอยแต่ตื่นสิ่งใหม่ และสิ่งใหม่นั้นต่อไปก็คงไม่ได้เรื่องอีกมันจะเหมือนกับเป็นเครื่องฟ้องว่าสิ่งที่มีอยู่ก็ยังไม่สามารถทำให้ดีแล้วจะไปตื่นสิ่งใหม่แล้วต่อไปสิ่งใหม่นั้นจะได้เรื่องหรือเปล่าไม่ช้าก็คงเข้าแบบเดียวกันถ้าเหตุปัจจัยอยู่ที่สังคมไทยเองไม่มีความสามารถที่จะจัดสิ่งที่ตัวมีให้ดีจึงจะได้อะไร มาใหม่ไม่ช้าของดีนั้นก็จะเสื่อมสามไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรวจสอบตัวเองว่าเหตุปัจจัยอยู่ที่ไหนถึงเวลาจะต้องศึกษาและพัฒนาตัวเองเป็นอันว่าจะพูดเรื่องภิกษุณีหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องคิดทำให้ดีก็คือเรื่องแม่ชีเราควรจะต้องมาช่วยกันให้โอกาสแม่ชีด้วยการสนับสนุนต่าง และจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของสตรีแก่สังคมและแก่พระศาสนามากในพุทธการเองเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับภิกษุก็ทรงจำแนกว่าพระภิกษุผู้เป็นเทระเป็นมัชิมะเป็นนวกักะภิษุนีก็เช่นเดียวกันมีเทรีมัชิมานวักะในฝ่ายอุบาสก อุบาสิกาพระพุทธเจ้าตรัดแยกเป็นสองประเภทคือเป็นอุบาสกและอุบาสิกาประเภทพรหมจารีถือพรหมจร์กับอุบาสิกาที่ไม่ได้ถือพรหมจร์เรียกว่าเป็นกามโพคีหรือเป็นผู้อยู่ครองเรือนพุทธพจนี้แสดงว่าอุบาสิกาประเภทที่เป็นพรหมจรีมีมาแต่พุทธกาลแล้ว ถ้าว่าไปแล้วแม่ชีก็เป็นอุบาสิกาประเภทนี้คือประเภทที่ท่านเรียกว่าโอทาตวัสนาพรหมจาริณีแปลว่าเป็นผู้นุ่มห่มขาวถือพรหมจันทร์ซึ่งเป็นผู้ที่ควรจะได้รับความเคารพนับถือแต่เดี๋ยวนี้เราเอาใจใส่แค่ไหนอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าเราพยายามจัดสิ่งที่มีอยู่ให้ถูกต้อง และต้องทำด้วยความรู้ความเข้าใจบางคนที่พูดถึงเรื่องพิษณีก็ไม่รู้ไม่ได้ศึกษาหลักได้แต่แสดงความเห็นเรื่อยไปเราควรจะพูดในสิ่งที่ตนรู้การแสดงความเห็นนั้นต้องมาคู่กับการหาความรู้เรื่องพิษณีสมมีจุดเน้นสข้อคือ 1. ขอให้ตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง 2. หาทางทำให้ดีที่สุดเท่าที่หลักการเปิดให้โดยไม่ให้ความต้องการมาล้มหลักการไม่เอาความต้องการของเราเหนือหลักการที่พระพุทธเจ้าวางไว้ไม่ใช่ว่าคราวนี้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรฉันไม่ฟังแล้วเอาอย่างที่ฉันก็แล้วกัน เรื่องราวกิจการที่เรามีอยู่แล้วขอให้สังคมไทยแสดงความสามารถออกมาโดยจัดการให้ดีมิฉนั้นมันจะฟ้องว่าต่อไปเธอรับสิ่งใหม่มาก็คงไม่ได้เรื่องอีกนั่นแหละแม่ชีมีอยู่แล้วก็แก้ไขปรับปรุงจัดทำให้ดีให้แน่นอนเสียก่อนส่วนเรื่องใหม่จะได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเข้ามา ขอให้ช่วยเอาใจใส่เรื่องแม่ชีด้วยเราชาวพุทธช่วยกันทาไมไม่เอาใจใส่ถ้าแม่ชีเป็นอะไรไปก็ทำความเสื่อมเสียแก่พุทธบริษัท ด, ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจใส่รับผิดชอบช่วยกันหนุนในทางที่ดีส่งเสริมทั้งประโยชน์ตนและของแม่ชีเองและประโยชน์ผู้อื่นที่แม่ชีจะช่วยได้แก่พระศาสนา และแก่สังคมประเทศชาติทำไมในวินัยจึงให้ฐานะภิกษุณีไม่เต็มที่ในสังคมถามในคารุษ ธ, ธรรมแปดที่มีอยู่สองข้อที่คนไม่อยากเชื่อคือภิกษุณีผู้บวชมานานกว่าภิกษุมีอาวุโสกว่า แต่ต้องกราบไหว้ภิกษุที่บวชเพียงวันเดียวและภิกษุณีแม้จะอาวุโสอย่างไรก็ไม่มีสิทธิ์ตักเตือนภิกษุแม้จะทำผิดตอบก็อย่างที่บอกไว้แต่ต้นว่าเวลาพิจารณาเรื่องจะต้องนึกถึงหนึ่งเรื่องการบรรลุธรรมที่เป็นเรื่องสภาวะสองเรื่องทางสังคมซึ่งเป็นสมมติ แต่เป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของคณะสงฆ์และต่อการบำเพ็ญศาสนกิจของพระพุทธเจ้าด้วยเราต้องมองว่าสังคมยุคนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้ากาลังทรงบเาเพ็ญศาสนกิจเพื่องานพระาศาสนานี่ก็เป็นภาระหนักอยู่แล้วทรงพยายามให้งานดำเนินไปได้ด้วยดีอะไรไม่จำเป็น จะมาขัดขวางงานก็ต้องพยายามยั้งไว้มองในแง่หนึ่งก็เหมือนกับทำงานแข่งกับพวกเดรถีหรือพวกาศาสดาทั้งหกทีนี้ค่านิยมความรู้สึกทัศนคติขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยนั้นก็รู้กันอยู่แล้วว่าสตรีในาศาสนาทั่วไปมีฐานะทางสังคมเรียกว่าด้อยมากดังนั้นเมื่อผู้หญิงจะมาบวช ซึ่งขณะนั้นเพิ่งเป็นปีที่ห้าแห่งพุท ธ, ธกิจเราก็เห็นได้ชัดว่ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาใหญ่ๆสองด้านคือหนึ่งแงสังคมสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะธรรมเนียมที่เกี่ยวกับเรื่องนักบวชสมัยนั้นเป็นอย่างไร 2. แง่งาการบรรลุธรรมในตอนที่พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้บวชนั้นชัด คือมีลำดับเรื่องสองขั้นตอนที่ว่าตอนแรกไม่อนุญาตและตอนหลังจึงทรงอนุญาตถ้าเราอ่านโดยพิจารณาจะรู้เลยว่าการที่ให้บวชก็ด้วยเหตุผลในแง่บรรลุธรรมได้แต่ถ้าว่าโดยเหตุผลทางสังคมจะไม่ยอมให้บวชเพราะว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสมัยนั้นไม่อำนวยเลย สมัยนั้นนักบวชสตรียังไม่เป็นที่ยอมรับและในสังคมสตรีก็มีฐานะด้อยอยู่ทีนี้ในภาวะการระหว่างาศาสนาเมื่อค่านิยมในสังคมเป็นอย่างนี้ถ้าผู้หญิงเข้ามาบวชก็เริ่มเป็นจุดอ่อนให้แก่าศาสนาอื่นทันทีเขาก็จะยกขึ้นเป็นข้อโจมตีและกดว่ า, าศาสนานี้ผู้หญิงก็บวชได้ ก็กลายเป็นเหมือนกับว่าผู้หญิงมาดึงคณะสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าแต่งขึ้นมานี้ลงไปในขณะที่ยังต้องบุกฟาเดินหน้าอยู่และถ้ายอมให้ภิกษุไหว้ด้วยก็ยิ่งเป็นข้ออ้างให้เอาไปพูดกดพระพุทธศาสนาได้เต็มที่เรื่องมีในพระไตรปิฎกว่าครั้งหนึ่งพระมหาประชาบดีทูลขอว่า ขอให้ภิกษุกับภิกษุณีเคารพกันตามพรรษาพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตและตรัสว่าแม้แต่อัญญาเดรธีทั้งหลายก็ไม่ยอมนี่แหละพระพุทธเจ้าทรงปรารบเรื่องอัญญาเดรธีเพราะถ้าไปทำเข้าก็เหมือนกับยอมให้พุทธศาสนาถูกเขาดึงลงไปกดไว้ในพระวินัยจะเห็นว่าพวกเดรธีคอยหาแง่ที่จะกดและขม่ม จะว่าร้ายพระพุทธศาสนาอยู่แม้แต่ถ้าพระภิกษุให้ของขบฉันด้วยมือแก่นักบวชอาเจลกะคือพวกชีเปลยเป็นต้นก็จะถูกเข้าหาแง่มุมว่าในทางไม่ดีจนเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไม่ให้พระภิกษุให้ของขบฉันแก่นักบวชพวกนั้นด้วยมือตนเองเพราะฉะนั้น จึงต้องทําความเข้าใจและตกลงกันให้ชัดก่อนว่าถ้าจะบวชก็อย่าไปคํานึงถึงเรื่องด้านสังคมเลยเราจัดให้เหมาะตามสภาพสังคมก็แล้วกันให้ผู้หญิงที่จะบวชนึกมุ่งไปที่การบรรลุธรรมเป็นสำคัญตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธตอนแรกก็เหมือนกับว่าจะให้พิจารณาทาความเข้าใจในเรื่องนี้ว่าถ้ามองในแง่สังคม ถึงขออนุญาตอย่างไรก็ไม่ให้แต่เมื่อมองในแง่การบรรลุจึงส่งอนุญาต 1. เป็นการเตือนสตรีทั้งหลายให้รู้ว่าสภาพสังคมมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องตระหนักไว้และ 2. คำนึงถึงคุณค่าของการบวชที่ได้มาด้วยความยากลำบากว่ามุ่งที่การบรรลุธรรม แล้วก็อย่าไปคิดมากในเรื่องอื่นๆที่เป็นแง่ของการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่างนั้นแล้วก็ส่งมอบครุ ธ, ธรรมมาเพื่อปฏิบัติให้เหมาะสมกับสังคมยุคนั้นให้เป็นอันรู้กันว่านี่เป็นการยอมรับตามสภาพสังคมแต่เรามุ่งในการบรรลุ ธ, ธรรมจึงไม่มาติดใจกันในเรื่องนี้ เป็นอันว่าตอนแรกที่พระมหาปชาบดีขออนุญาตพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตซึ่งเป็นการพิจารณาในแง่ของสังคมแต่เมื่อยกเหตุผลในแง่าการบรรลุธรรมอันนี้ก็ทรงอนุญาตให้บวชภิกษุณีจะต้องตระหนักไว้ว่าการอนุญาตให้ภิกษุณีสงเกิดขึ้นนี้เพื่อเหตุผลในการบรรลุธรรมแล้วก็มุ่งที่นี่ อย่าไปคำนึงในแง่ของสังคมซึ่งจะต้องทำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมซึ่งในแง่นี้เท่ากับขอให้เห็นแก่พระศาสนาโดยส่วนรวมเพื่อให้งานพระศาสนาส่วนรวมดำเนินต่อไปได้ด้วยดีเมื่อยอมรับเงื่อนไขาทางสังคมพอให้ส่วนรวมดำรงอยู่ในภาวะปกติเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วผู้บวชเป็นภิกษุณีเข้ามา ก็มุ่งไปที่การปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมตามศักยภาพที่มีอยู่โดยธรรมชาติซึ่งไม่ขึ้นต่อการยึดถือของสังคมตามเรื่องที่เป็นมาปรากฏว่าภิกษุณีสมเมื่อเกิดขึ้นแล้วนอกจากจะเป็นที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมก็ได้ขยายตัวเป็นศูนย์กลางการศึกษามวลชนสำหรับสตรีเพราะการปฏิบัติธรรมก็คือกระบวนการเรียนรู้ ศึกษาพัฒนาคนนั่นเองและวัดกับสำนักภิกษุณีก็เป็นศูนย์กลางชุมนุมพบปะทากิจกรรมร่วมกันของพุทธบริษัททั้งสีดังนั้นการเกิดขึ้นทั้งของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์จึงเป็นการเปิดมิติใหม่แห่งการขยายโอกาสทางการศึกษาในสังคมชมพูทวีป ทำไมเมื่อให้บวชภิกษุณีจึงต้องมีข้อจำกัดมากมายถามมีผู้บอกว่าการบัญญัตินี้เป็นการบัญญัตในชั้นหลังโดยผ่านผู้ชายหรือภิกษุเองในสมัยลังกาท่านจะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรตอบก็คงจะหาทางพูดเอานั่นเองซึ่งไม่มีหลักฐานอะไรตามประวัติเท่าที่มีหลักฐานตอนแรกพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต แต่เมื่อขอในแง่ของการบรรลุธรรมก็อนุญาตถึงอย่างนั้นก็ทรงแสดงข้อเป็นห่วงพระศาสนาไว้เมื่อสตรีบวชพระองค์ทรงเปรียบไว้หลายข้อเช่นว่าเหมือนกับบ้านเรือนที่มีบุรุษน้อยมีสตรีมากจะถูกภยัยภายนอกเข้ามาได้ง่ายคล้ายว่าสงส่วนรวมจะอ่อนกำลังลงและพระพิสุที่มุ่งทำงานอยู่ ก็จะต้องแบ่งกำลังมาคุ้มครองภิกษุณีสงฆ์ด้วยเพราะสตรีนอกจากจะมีปัญหาเชิงสังคมเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยนั้นไม่ยกย่องสตรีในระดับเดียวกับบุรุษแล้วโดยภาวะของสตรีก็มีความไม่ปลอดภัยต่างๆมากด้วยตอนหนึ่งภิกษุณีอยู่ป่าก็ถูกคนร้ายมาคมเหง พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติสิขาบทไม่ให้ภิกษุณีอยู่ป่าคือชีวิตที่บำเพ็ญสมณธรรมแบบผู้ชายนี้ทำได้ยากภิกษุจะบุกเดียวบุกป่าฝาดงถึงไหนถึงกันแต่ภิกษุณีไปไม่ได้แม้แต่เพียงภิกษุณีอยู่ลาพังรูปเดียวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอีกแล้วจึงต้องมีบัญญัติเช่นว่าภิกษุณีจะประพฤติมานัดตามปกติ การประพฤติมานัดอยู่กรรมก็ต้องอยู่รูปเดียวแต่สำหรับภิกษุณีต้องมีเพื่อนอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าก็ต้องบัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุณีสงตั้งภิกษุณีรูปอื่นมาเป็นเพื่อนให้อยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นในแง่ชีวิตพรหมจันทร์ที่ว่าต้องพร้อมที่จะอยู่ป่าอยู่เขาคนเดียวจะจาริกไปได้ทุกหนทุกแห่งในแง่นี้ภาวะเพศหญิง ก็ไม่เหมาะเท่าเพศชายและกลายเป็นปัญหาหนักทำให้ฝ่ายภิกษุต้องเป็นกังวลพรอยห่วงด้วยตามปกติภิกษุกับภิกษุณีเดินทางไกลไปด้วยกันไม่ได้ถ้าไปด้วยกันชาวบ้านก็เพ่งมองเพราะมีพระผู้หญิงพระผู้ชายชาวบ้านเขาจะมองว่านี่เป็นแฟนกันหรืออะไรเพราะชีวิตนักบวชนั้นคนอินเดียรู้กันอยู่แล้วว่า นักบวชไม่ว่าศาสนาใดก็ถือว่าต้องอยู่พรหมจันทร์พอมีภิกษุณีขึ้นมาก็แปลกแล้วไม่เข้าตาเขาทีนี้พอเดินทางไปด้วยกันก็เพ่งจ้องว่าเอ๊ะพระในศาสนานี้ก็มีภรรยาด้วยนะอะไรอย่างนี้มีเรื่องที่ภิกษุกับภิกษุณีเดินทางเป็นคณะไปด้วยกันผู้คนพากันมาดูและล้อเลียน ทำให้พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติสิกขาบทไม่ให้ภิกษุและภิกษุณีเดินทางร่วมกันแต่พอเดินแยกกันเมื่อไปเฉพาะภิกษุณีแม้จะหลายรูปก็ถูกขมเหงก็ต้องมีพุทธานุญาตว่าไม่ให้เดินทางด้วยกันยกเว้นเดินทางไกลที่มีภัยอันตรายอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยก็เป็นปัญหาที่เพิ่มขึ้นในการที่จะทำงานพระศาสนา ขอย้อนอีกนิดว่าที่ว่าไม่ให้ภิกษุณีว่าภิกษุในอัตถกถาท่านอธิบายว่าไม่ให้ตั้งตัวเป็นเจ้าเป็นนายหรืออะไรทำนองนั้นถ้าจะพูดเชิงตำหนิหรือแนะนำก็พูดแบบให้เกียรติเช่นภิกษุทำอาการไม่สำรวมภิกษุณีก็อาจจะพูดว่าพระผู้ใหญ่ที่เป็นที่เคารพนับถือท่านไม่แสดงอาการอย่างนี้ แต่ถึงฝ่ายภิกษุก็มีวินัยบัญญัติว่าภิกษุจะว่าก่าวให้อวาตภิกษุณีต้องได้รับการแต่งตั้งจากสงภิกษุณีสงนั้นเกิดขึ้นทีหลังเป็นของใหม่ก็ให้ปฏิบัติไปตามวินัยของภิกษุเพราะบัญญัติไว้แล้วแต่เมื่อภิกษุณีมีเรื่องใหม่ๆขึ้นมาก็ทรงบัญญัติศิกขาบทใหม่เป็นข้อๆเพิ่มเข้าไปตอนแรก ที่ภิกษุณีบวชเข้ามาก็ไม่รู้ว่าวินัยที่มีอยู่แล้วเป็นอย่างไรก็ทรงให้ภิกษุผู้สวดปฏิโมกให้ฟังต่อมาก็มีปัญหาว่าภิกษุมาสวดหลายครั้งเข้าคนก็ติเตียนภิกษุว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามไม่ให้ภิกษุมาสวดปฏิโมกให้ภิกษุณีฟังและให้ภิกษุณีสวดเองแต่ ภิกษุณีก็ยังไม่รู้ธ ร, รมเนียมวิธีปฏิบัติก็ต้องให้ภิกษุสอนให้อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพคะ40่ิภิกษุณีพระอรหันตจบบริบูแล้วค่ะดิฉันเพนสีอินทรทั์ผู้จัดทำรายการ ขอกราบขอพระคุณคุณสุดที่รักสุขธรรมจากสถาบันบลือธรรมที่ได้กรุณาคัดสรรหนังสือดีๆส่งมาให้ตลอดมาทําให้ดิฉันได้มีโอกาสนํามาอ่ออากาศเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศ ล, ลจิตของคุณสุดที่รักสุขธรรมไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ